ถึงว่าการฟังหน้าที่ของพวกเราทุกท่านทุกองค์เป็นหลอดถึงอุบาสกอุบาสิกาทุกคนนะั่นแหละฟังให้เข้าใจหน้าที่ของตัวเอง อย่างนักบวชพวกเราท่านให้ชื่อเ อ, อาไว้ว่าสมณะสมณะนักบวชพวกเราทุกองคงจะได้ยินศัพท์นี้คำนี้ พวกเราก็เป็นสมณะนักบวชลักษณะของสมณะนักบวชเนี่ยสมณะคือผู้มีความสงบต้องดูตรงนี้นะดูตัวเองรู้จักหน้าที ทำไม ห, หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงจึงบ้าไวาอย่างนี้พวกเรานึกถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวโลกชาวบ้านเขากิรลยามาายาที่แสดงออกถึงความสงบลักษณะของความสงบนะั่นแะ มันไม่มียิ่งเจอหน้ากันแล้วสองคนสามคนขึ้นไปแล้วกันคำพูดนั่นอ่ะคนนั้นก็หาเรื่องมาพูดคนนั้นก็หาเรื่องมาคุยสองคนก็สองเรื่องสามคนก็สามเรื่อง เรื่องที่นํามาพูดมาคุยอ น, นันต์มันเป็นอารมณ์สัญญาที่เกิดจากกิเลสที่เกิดจากตัณหาที่ได้มีความสัมผัสจากการดูการรู้การฟังร้อยแปดพันเรื่องนั่นะเอานั้นมาคุยกันเอานั้นมาพูดกัน ยิ่งไปเสริมไปเติมเครื่องมืนเครื่องเมาเข้าไป อ, งไงอีกแะไรตัวเนีโคตเดือบไม่มีขอบไม่มีเฉดเลยนะี่ยทำไมไมันจะเป็นอย่างนั้นก็ะเพาะความมืนเมาเนี่ยนะเครื่องดื่มเครื่องความมืนเมาเนี่ยนะมันทำลายคุณค่าของสติ ของบุคคลคนนั้นขาดตติมากคำพูดไม่มีขอบไม่มีเชิดิริยาที่แสดงออกไม่มีขอบไม่มีเชิดเมาน้อยขาดตติน้อยคอยยังทั่วเมามากขาดตติมากนี่แหละ พวกเราก็รู้้อยู่อันนี้ลักษณะที่อารมณ์สัญญาอารมณ์ของกิเลส ข, ของตัญหาที่มันมีอยู่ในจิตใจของประชาชนคนเราทั่วโลกทั่วประเทศนี่นะพวกเราก็ได้ผ่านลักษณะนั้นมา จนกลายเป็นนิสัยค้นกับเรื่องนั้นจนถือเป็นเรื่องปกติธรรมด า, าดะงนั้นการมาบวชเนี่ยพะพุทธเจ้าจึงสอนในรู้ตัวเองว่า <c oughs> นักบวชพวกเราเนะี่ยเลดจากเพทของคาาวาตมาแล้วการนุ่งการห่มก็ไม่เหมือนคาาวาตอันไหนที่มันเหมือนคาาวาตอย่างที่ไว้ผมยาวมันจะเหมือนคาราวาตพระพุทธเจ้า ก, ก็ให้โกนยิ่ง แต่นั้นก็นอมทำเนียมประเพณีผู้ปฏิบัติครบรอบเดือนมาถ้าให้โกนทิ้งกลัวมันจะยาวเหมือนคาวาสโตเป็นกลัวในขณะนั้นโกนทิ้งโกนทิ้งโกนทิ้งทั้งกิริยาเมรยาทุกอย่างที่นี่ สอนให้มีความสังรวมระวังสังบรสิ่งไหนที่เคยทำแบบชาวบ้านคาราวะเรา ศ, ศึกษาหน้าที่ของพวกเรามีศีลมีธรรมเป็นเครื่องวัดความผิดความถูกจะนั้นน่ะิยามารยาจอยู่ในขอบเขตของศีล ของทรรมให้รู้ตัวสังวรระวังการกระทาคำพูดสังวรระวังความชิดก็ให้สังวรระวังทำไมยังให้สังวรระวังกระป้อนนิสัยเดิมที่มันเป็นสัญญาอารมณ์ กิริยามลายาที่มันเกิดขึ้นจากความคิดมันเป็นแนวคิดอารมณ์ของกิเลสเป็นแนวคิดอารมณ์ของทันหาสังวรระหว่างตรละบังตรงนั้นฉะนั้นสมัมมนนะผู้มีความสงบ ก, กายสงบ ก, กิริยามลายา อันไหนที่มันเป็นลักษณะของชาวบ้านที่แสดงออกทักตัวอย่าง <c oughs> การกิริยาแสดงออกของลักษณะของกิเลสของตัญหาร้องลําทำเพลงอะไรลักษณะนั้น ขาดการสังรวมขาดการระวังไม่ใช่สมณะดังนั้นการสังวรระวังรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวนั่นนะดูจากอารมณ์ที่มันเกิดดูจากสัญญาที่มันเกิดขึ้นจากใจ เพอสัญญาอารมณ์นี่มันเป็นสัญญาจำเรื่องอะไรมาอารมณ์นี่มันเกิดขึ้นจากใจนี่นมันเรื่องอะไรอันนี้จึงมีส ต, ติรู้ตัวควรจะเอาออกมาพูดไหมควรจะ อ, ออกมาคุยไหมมีเหตุมีผลอะไร ถ้าไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้นึกตรงนี้ที่ไหนกิริยามลายาตของสมณะนักบวชธรรมะผู้มีความสงบเนี่จะไม่รู้ตัวเลยเมื่อไม่รู้ตัวก็เสียกิริยามลายาตของนักบวช แต่ใ น, นเมื่อรู้ตัวได้มากน้อยขนาดไหนมันจะไม่จะรู้ในตรงนั้นแนหะว่าสมณะผู้มีความสงบกายสงบวายใสงบใจสงบเป็นผู้มีนิสัยเรียนรู้ประพฤติอยู่ในขอบเขตของธรรมของวินัย ถ้าเผื่อไม่ได้เรียนรู้ลักษณะของตัวเองที่เป็นนักบวช ด, ดูจากกิริยามายายาสมณะผู้มีความสงบจากกิริยามลายาถึง เ, เครื่องดูกันก็ไม่ทราบว่าจะไปดูอันไหนกันไม่ทราบว่าจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดความผิดความถูก ถ้าไม่เรียนรู้ถ้าไม่ระวังสังวรระวังตรงนี้กระดูเป็นกิริยามรอายาทของชาวบ้านนะั่นแหละหรือท่านพูดเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งลิงกิริยามลายาทมันรายาทของลิงนั่นนะมันอยู่นิ่งอยู่เฉยไหม ไม่ต้องเรียนรู้อันอื่นเป็นการฝึกสติดูตัว <c oughs> เริ่มจากกออิริยามานุญาตที่พวกเรา <c oughs> แสดงออกทางกายทางวายจาอารมณ์ของจิตที่มันนึกมันคิดต้ามาเรียนรู้จากนี้ก่อน เมื่อเรียนรู้จากนี้สติรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวการฝึกรู้อาศัยคุณค่าคุณนัตธรรมคือสติเมื่อรู้ตัวก็รู้จากความผิดความถูกรู้จากอะไรควรอะไรไม่ควรเนีนี้เพราะเรียนรู้ความผิดความถูกจากกิริยามารยาทของตัวเอง เป็นผู้น้อยก็ น, น่ารักน่าสงสารน่าเมตตาถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ น, น่ารักน่าเคารพิริยามารยาทมันอยู่ในฐานะสมณะผู้มีความสงบถ้าเราเรียนรู้ลักษณะกิริยามารยาทของตัวเองเนี่ย ก็เป็นการรู้ตัวการฝึกการปฏิบัติรักษาตัวเองเอกศัพท์หนึ่งว่าพระนักบวชพระก็แปลผู้ประเสริฐประเสริฐในศิลปประเสริฐในธรรมมันจะวิ่งภาษสานกันเลย ผู้มีจิตญาณมลายาตสังวรระวังอยู่ในศิลงรู้ตัวรู้ความสำนึกการระวังตัวอยู่นั่นแนหะมันก็เกิดเป็นสิลงในจิตญามลายาตนั้นสังรวมระวังในจิตญามลายาตนั้นก็คือศสิสังวรระวัง ตามฐานะตามหน้าที่ถ้าเผื่อเข้าใจความหมายหน้าที่ของพวกเรามาเรียนรู้มาเรียนฝึกแล้วสิทธิจิตญามรารยาทที่แสดงออกได้เป็นเครื่องบอกถึงความดีของพระแต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละองค์ไม่ใช่เฉพาะพระนักบวชนะนะแม้อุบาศกอุบาสิกาชาวบ้าน การรู้จักหน้าที่ในกิริยามารยาทที่แสดงออกศีลคือความเรียบร้อยกิริยามารยาทเรียบร้อยการพูดการจายกิริยามารยาทเรียบร้อยความนึกความคิดให้อยู่ในขอบเขตของศีลห้าศีลแปดศีลสิบตามหน้าที่ของพวกเราพุทธบริษัท ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นั่นน <c> ะ <oughs> สอนไว้เพื่อรักษาสมบัติสอนไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์จากความเป็นสมบัติมนุษย์สมบัติเกิดขึ้นมาแล้วควรจะประพฤติตัวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ขอบเขต ถ้าประพฤติตัวอยู่ในขอบเขตของศีลของธรรมความเป็นสมบัติมันกับปากฏถ้าเผื่อไม่ได้อยู่ในขอบเขตของศีลของธรรมนี่จิยามารยาทนั้นนะ่ะมันจะตรงกันข้ามกับสมบัติมันจะกลายเป็นจิยามารยาเกิดความเป็นวิบัติคือแสดงความชั่ว การกระทําน่ะมันผิดคําพูดมันก็ผิดความคิดมันก็นผิดเมื่อมันผิดนั่นคือวิบัติจริงอะไรเป็นเครื่องแสดงออกที่ทําให้ผิดอย่างนั้นาอหน้าของกิเลสโรคปวดหลงอํานาจของตัณหานั่นแหละฉะนั้นศินธรรมจึงเป็นระบบควบคุมป้องกัน เรื่องกิเลสโรโ ก, กวดหลงตัณหานี่ยนะให้มันอยู่ในขอบเขตอยู่ในฐานะของความเป็นสมบัติมนุษย์สมบัติถ้าเผื่อมนุษย์คนเราเกิดขึ้นมาเห็นคุณค่าของความเป็นสมบัติมันเรียนรู้ว่าเออนี่เกิดขึ้นมาเป็นคน เป็นชาวบ้านเห็นทุกเห็นโทษของความโลภความโกรธความหลงตัณหาความอยากในทางที่มันผิดนี่นะสังวรระวังอยู่ในขอบเขตของศีลของธรรมตามหน้าที่ของชาวบ้านอุบาสกอุบาสิกาเป็นไปเพื่อความสงอบอบอุ่นของชีวิตมันไม่มีเฉพาะที่ว่านักบวชนะที่ ความสุขความสงบจะเกิดขึ้นในชีวิตนั่นะตามฐานะตามระดับของความสุขของชาวบ้านมันก็เป็นแบบอีกแบบหนึง่งฉะนั้ น, นาการฟังจากคำสอนของพระพุทธเจ้าให้รู้จักหน้าที่ของแต่และฐานะพวกเรานั่นแะ โดยเฉพาะพวกเราเป็นนักบวชรู้ตัวรู้ตัวรู้ตั ว, ตวอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นจากกิเลสโลภโกรธหลงมาเป็นสัญญาอารมณ์ที่มันเป็นความเคยชินอยู่ในใจเนะี่ยให้รู้ตัวตรงนั้นควรจะนํามาทํำไหมที่มันคิดขึ้นควรจะนํามาพูดไหมที่มันคิดขึ้น ความชิดเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันชิดขึ้นเองมันเป็กิเลสตัณหามันพาชิดถ้าชิดเพื่อเป็นประโยชน์เนี่ยอันนี้เราคชิดเองอนนมีเหตุมีผลเชิดเพื่อสร้างประโยชน์ถ้าเราไม่ได้ชิดเองเรื่องกิเลสตัณหาอันพาชิดอันเนี่ยมันไม่มีข้อเผ็ดอันนี้นคือเผีดก น, นั่นะ เช็ดไปน้อยผิดน้อยมีปัญหาน้อยเช็ดมากผิดมา ก, ม, ากมีปัญหามากขึ้นชื่อว่าปัญหาแล้วก็คือความเป็นทุกข์ทางใจนั่ น, นแหละฉะนั้นพวกเราไม่ได้ต้องการอย่างนั้นยังให้รู้จักหน้าที่ชื่อสมณะนักบวชสมณะผู้มีความสงบรู้ตัวเออความสงบ นี่สังวรระวังในกินิยามารยาทรู้ตัวรู้ตัว ร, รู้ตัวเตือนตัวรู้ตัวเนี่ยมันจะเกิดสัมปชัญญะธรรมเกิดตติธรรมสัมปชัญญะธรรมรู้ตัวความดีส่วนนี้มันปากปากฏขึ้นรู้ตัวมากขึ้น ความเป็นศิลความเป็นธรรมมันก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นจริงๆสินธรรมเพิ่มปริมาณมากขึ้นในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องชําระ ก, กิเลสโรคกวดหลงตัณหาเนี่ยมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงก็ได้ชื่อว่าเราอาศัยหลักสินธรรมเนี่ยเป็นเครื่องชําระ เเครื่องทำลายกิเลสปัญหาที่มีอยู่ในจิตใจที่มันแสดงออกในลักษณะอารมณ์สัญญาอย่างที่ว่ามาผ่านเข้าใจความหมายหน้าที่การเรียนรู้เรื่องตัวเองสมณะนักบวชสมณะผู้มีความสงบรู้ตัวรู้ตัวอาทตนนี้ต่อไปนั่งสมาธิฟังจาก การปฏิบัติแนวทางปฏิบัติของหลวงตาท่านจากเครื่องบันทึกเสียงที่นี่